ที่นี่มีประวัติจริงๆไม่งั้นไม่โดนจะมาหลายคนผมจึงเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาจากเขาโครงของเรื่องจริงโดยเขียนเป็นเรื่องสั้นตามสไตล์การเขียนของผมหลังจากบจบเรื่องนี้แล้วผมจะมาเล่าให้ฟังว่าที่น้องเขาเจอมาจริงๆนั้นเขาเจออะไรบ้างขอเชิญทุกท่านหาความสําราญได้จากเรื่องเล่าไม่ควรเล่าตอนชั้นสามห้องสุดท้ายได้นบะบัดนี้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 ในวันถัดมาพวกเขาที่เล่าเหตุการณ์ที่เจอมาให้พนัก ง, งานในพื้นที่ฟังจิงพอจะได้คำตอบที่เล่าต่อๆกันมาอีกทีนึงว่าที่โรงแรมแห่ง น, นี้เคยมีคนที่มาพักเป็นผู้หญิงถูกฆ่าหันศพกว่าตำรวจจะสืบเรื่องราวจนรู้ว่าใช้ห้องในโรงแรมเป็นโรงเชื่อชั่วคราวและเจอชิ้นส่วนของศพที่ถูกทิ้งไว้กระจายตามจุดต่างๆของเมืองเพื่อเป็นการทาลายหลักฐานของคนร้ายทั้งถังขยะในป่าหรือคลองชนลประทาน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 ระหว่างทางเดินที่เงียบวังเวงที่ชั้นสามเหมือนเป็นทางเดินที่เชื่อมต่อไปยังโลกอื่นอันมืดมิดระยะทางจากลิฟต์ถึงห้องพักสุดทางเดินไม่น่าจะเกิน30เมตรแต่มันมีความรู้สึกว่าไกลเหลือเกินผมเดินไปคนเดียวเงียบเงียบเงียบจนผิดปกติทันใดนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งวิ่งแซงผมไปด้วยความรวดเร็วท่าทาตื่นตกใจเหมือนวิ่งหนีอะไรบางอย่างจนเฉียดไหลของผมไปแบบผักถาด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 แต่พอเปิดประตูไปดูกลับไม่เจอใครคนเขาเล่าลือกันว่าน่าจะเป็นวิญญาณของคนที่ถูกยิงตายมาขอความช่วยเหลือเพราะอาจจะยังไม่รู้ตัวว่าตายไปแล้วก็ได้อุ๊ยนึกแล้วขนลุกเป็นหนูนะไม่พักที่นี่เด็ดขาดตอนที่ผมฟังเรื่องนี้บอกตามตรงผมไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ตอนนี้ไม่ใช่ด้วยความที่ตอนนี้ยังไม่ค่ํามากนะักและความสงสัยในสิ่งที่เกิดขึ้นมันมากกว่าความกลัวผมตัดสินใจเดินไปเปิดประตูทางหนีไฟ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 จะย้ายโรงแรมก็แต่งหมดหลวงพ่อที่แกะจากไม้พยังนิ้วดำที่คล้องคอถูอาราธนาขึ้นมาพนมไว้ด้วยสองมือที่สั่นเพราะความกลัวพุทธังอาราธนานำธรรมังอาราธนานำสังฆั ง, างอาราธนานำขอให้คืนนี้ผ่านพ้นไปด้วยดีด้วยเถอะสาธุในห้องไม่มีกลิ่นเหม็นอีกแล้วอาจเป็นไปได้ว่ามันเป็นกลิ่นที่ลอยมาจากภายนอกแล้วคงจะมีใครจัด ก, การไปแล้วหรือแขกที่เข้าพักคนอื่นก็ได้กลิ่นเหมือนกัน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 จุดแขวงร้ายกว่านั้นมันเหมือนจะแขวนแรงขึ้นซะด้วยซ้ําไปความกลัวเข้ามากาะกลุ่มในใจอีกครั้งผมรู้สึกร้อนๆอนหนาวหนาอย่างไรพิกร่กนันครั้งเรื่องที่เพื่อนเล่าให้ฟังก่อนเดินทางก็เด่นชัดเข้ามาในความคิดมันเล่าให้ผมฟังว่าเฮ้ย hey, กูมีอีกเรื่องนึงจะเล่าให้ฟังได้ยินคนอื่นเขาล่ําลือเหมือนกันมันเล่าต่อจากสองเรื่องแรกด้วยภาษาที่เป็นกันเองของเพื่อนสนิทโรงแรมเนี้ยเคยมีคนผูกคอตายเว้ยแวบแรก ผมไม่นึกเชื่อเลยแม้แต่น้อยด้วยความที่สนิทกันและมักมีเรื่องมาอั้มกันบ่อยๆบวกกับมันคงอยากเพิ่มดีกรีความหลอนต่อจาก2เรื่องแรกก็คงจะกุบเรื่องเพิ่มขึ้นมาให้ครบรถเท่านั้นเองเขาว่ากันว่าเป็นผู้หญิงขายบริการแถวแถวนั่นแหละแล้วน่าจะเครียดเพราะเป็นเอสวันนั้นแขกคงเรียกขึ้นมาเป็นห้องหลังเสร็จงานก็คงจะลาโลกเลยฮ่าฮระวังนะโว้ยอย่าเรียกใครขึ้นมาสุมสี่สมห้าถาหาว่ากูไม่เตือนเฮ้ยเฮยยังไม่จบบางคนก็ว่า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 แต่ก็ยังเห็นภาพต่างๆได้อย่างชัดเจนทันใดนั้นสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นปั้งเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดเพียงนัดเดียวแต่นั่นก็เพียงพอที่จะทำให้ร่างของชายที่ยืนอยู่ต่อหน้าผมเพียงประตูกั้นล้มลงทันทีเลือดจากสมองที่โดนแรงอัดของกระสุนปืนสายกระเด็นมาที่ช่องตาแมวผมหลับตาผงะถอยหลังตามสัญชาตญาณหัวใจเต้นถี่ด้วยความตกใจ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 ทันใดนั้นร่างของชายที่ถูกยิงล้มลงไปเมื่อสักครู่ทะลึ่งลุกขึ้นมาอยู่ตรงหน้าหน้าตาชุ่มโชบไปด้วยเลือดสีแดงสดไหลทะลักออกมาจากทางรูทางเข้าของกระสุนปืนอย่างน่ากลัวตาข้างซ้ายโปนจากแรงอัดของกระสุนปืนจึงเกือบจะหลุดออกมาจากเบ้าเส้นเลือดในตาแตกจนทําให้เห็นเป็นสีดําสนิททั้งลูกตาณ ต, ตอนนี้ผมขยับตัวไม่ได้เหมือนเรีืยวแดงจะหายไปสิน้นไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ยืนอยู่ตรงหน้า บัดนี้มันยกมือขึ้นชี้ตรงมาที่ประตูห้องพร้อมตะโกนกล้องด้วยความเกรียดกราดไม่ช่วยกูก็เหมือนคนอื่นไม่มีใครช่วยกูเลยน้ำเสียงเต็มไป ด, ด้วยความโกรธแค้นอาฆาตสิ้นหวังวอนความเศร้าพร้อมกันร่างนั้นค่อยค่อยขยับใกล้เข้ามาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยหน้าชิดประตูจนประตูห้องสะเทือนจนผมรู้สึกได้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 ประโยคหลังมันแผ่เสียงคำรามลั่นห้องสูงจากหัวนั้นขึ้นไปไม่ถึงเมตรร่างของใครคนหนึ่งกำลังแกว่งไปมาอย่างช้าๆผมค่อยๆเงยหน้ามองไล่จากปลายเท้าที่คลัมซีดไปถึงเพดานร่างนั้นถูกแขวนคอไว้กับโคมไฟกลางห้องที่มันเคยแกว่งอย่างไม่รู้สาเหตุในตอนค่ําผู้หญิงในชุดสีดําผิวคล้ำซีดทั้งกายมือและเท้าเหยียดเกรงแข็งแลบลิ้นออกมาจุกปากจนถึงปลายคางตาเบิกโพรงก้มหน้านิ่ง มีเพียงเสียงสะอื้นให้เท่านั้นที่ดังมาจากร่างมันยังแกวนอยู่ช้าๆมันยังไม่เพียงพออยู่หลือกับสิ่งที่เจออยู่ตรงหน้าแค่นี้ผมก็แทบจะสิ้นสติแล้วทั้งคนที่เคยตายอยู่หน้าห้องหัวที่ขาดและพูดได้กับร่างของหญิงที่ผูกคอตายกับโคมไฟที่กลางห้องตอนนี้ผมทนอยู่ในนี้ไม่ได้แน่นอนไม่ว่าไจะอยู่ที่หน้าห้องก็แล้วแต่ผมตัดสินใจดึงกรรไและสายยูด้วยมือที่สั่นอย่างแรงพยายามดึงสติสุดท้ายให้อยู่กับตัว เปิดประตูห้องได้วิ่งอย่างไม่คิดชีวิตพร้อมกับปากที่ตะโกนร้องร่าเพราะความกลัวในใจยังคิดต่อว่าเพื่อนที่เล่าเรื่องต่างๆให้ฟังก่อนออกเดินทางทำไมพวกมึงไม่บอกกูว่าเรื่องที่เล่านะมันเกิดขึ้นในห้องเดียวกัน <c oughs> หากคุณชอบเรื่องนี้ กรุณานกดถูกใจและกดติดตามด้วยนะครับ